สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิตทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าแล้วก็เป็นเดือนแห่งความชื่นชมยินดีนะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าปีหนึ่งนี้ผ่านมารวดเร็วมากเลยแล้วเราก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็คือเดือนธันวาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าในปีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ มีสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจคนไทยมากมายแต่ว่าในความรู้สึกลึกๆแล้ ว, ลวเรายังคงมีสันติสุขอยู่ในหัวใจเสมอและเราก็รู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราอยู่ทุกวันเวลาด้วยเช่นกันนะคะในวันนี้นะคะพระวจนะคาที่ดิฉันจะนำมาแบ่งปันโดยให้หัวข้อชื่อเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ผู้นำได้นำเรานมัส ก, การก็คืออิมมานูเอลเพื่อเรา ชื่อนี้เป็นชื่อที่ดิฉันรู้สึกว่าเป็นความพิเศษเมื่อได้เอ่ยคำคานี้แล้วมันมีความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเพราะคำว่าอิมมานุเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าสถิตกับเราพระองค์อยู่กับเราพระองค์อยู่ในเราดิฉันไม่ได้มาจากครอบครัวที่เชื่อพระเจ้าเราไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่เราเชื่อหรือนับถืออยู่กับเราถ้าหากว่าต้องมีการ อแยกกันหรือว่าห่างกันไม่เคยรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ไม่เคยรู้สึกว่าจะต้องมีความรู้สึกปลอดภัยหรืออุ่นใจถ้าหากว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตแต่เมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วพระองค์ไม่ได้ให้สั ญ, ญลักษณ์หรืออะไรมากมายไปกว่าคําตรัสและคําสัญญาที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นอิมมานูเอลพระองค์สถิตกับเรา นะคะซึ่งเป็นพระคุณซ้อนพระคุณในชีวิตของเราทั้งหลายที่พระองค์อยู่กับเราด้วยพระวจนะที่จะมาถึงเราในบ่ายวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่7ข้อ14และพระธรรมอิสยาเช่นกันบทที่9ข้อหนึ่งถึงเจ็นะคะดิฉันขออนุ ญ, ญาตที่จะนำทุกท่านที่จะฟังพระวจนะคำด้วยกันอิสยาบทที่7ข้อที่14พระเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่า เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และขอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลส่วนในพระธรรมอิสยาห์บทที่9นะคะข้อหนึ่งถึง7ได้กล่าวว่าเมืองนั้นซึ่งอยู่ในความแสนละทมจะไม่กลัดกลุ่มในการก่อนพระองค์ทรงนาแคว้นเสบุรุและแคว้นนัฟทาลีมาสู่ความดูมิน แต่ในการภายหลังพระองค์จะทรงกระทําให้หนทางข้างทะเลแคว้นฟากตะวันตกของแม่น้ำจอแดนคือกาเลลีแห่งบรรดาประชาชาติให้รุ่งโรจน์ชนชาติที่ดำเนินในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชสว่างจะได้ส่องมาบนเขาพระองค์จะได้ทรงทวีชนในประชาชาตินั้นขึ้นพระองค์จะทรงเพิ่มความชื่นบานของเขา เขาทั้งหลายจะเปลมปรีต่อพระภาคพระองค์ดั่งด้วยความชื่นบานเมื่อฤดูเกี่ยวเก็บดั่งคนเปลมปรีเมื่อเขาแบ่งของริบมานั้นแก่กันเพราะว่าแอกอันเป็นภาระของเขาก็ดีไม้พลองที่ตีบ่าเขาก็ดีไม้ตะบองของผู้บีบบังคับเขาก็ดีพระองค์จะทรงหักเสียอย่างในวันของคนมีเดียนเพราะรองเท้าทุกคู่ที่กระทืบไปอย่างสั่นสะเทือนและเสื้อคลุมทุกตัวที่เกลือกอยู่ในโลหิตจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงใส่ไฟ ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามาหัจจันทร์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันต์องค์สันติราชเพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด เหนือพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชาอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์การความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทําการนี้ให้เราที่ถานด้วยกันนะคะสาธุการพระเจ้าองค์อิมมานุเอลในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาอันสจรัร์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิพระบิดานิรันดองสันติราช ทรงเป็นความสว่างทรงเป็นอาหารเป็นน้ำเป็นกำลังแห่งชีวิตของเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าวันนี้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่จำเพาะพระพักพระเจ้าเราปรารถนาจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ที่จะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีแก่ชีวิตของเราที่เราจะ ล, ะลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อเราพระบิดาเจ้าขอให้วันนี้จะไม่มีสักคนหนึ่งคนใด ออกจากสถานนมัสการแห่งนี้โดยขาดพระพรขอให้ตาใจเขาหูของเขาจะได้ยินได้ฟังและได้เห็นความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนขอสถิตยอยู่กับทั้งผู้กล่าวและผู้ฟังทุกคนด้วยพระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระองค์อธิฐานร่วมกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในพระธรรมตอนนี้นะคะอิมมานุเอลเพื่อเรา เป็นพระธรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออิสยาอิสยาจัดว่าเป็นผู้เผยพระวจนะใหญ่ในยุคสมัยของการมีผู้เผยพระวจนะนั้นนะคะเราได้แบ่งผู้เผยพระวจนะเป็นสองกลุ่มคือผู้เผยพระวจนะใหญ่กับผู้เผยพระวจนะน้อยถามว่าที่แบ่งเป็นสองกลุ่มเพราะอะไรไม่ใช่เพราะศักดิ์ศรีของการเผยพระวจนะแต่แบ่งด้วยจากเนื้อหาและถ้อยคาที่พระเจ้าส่งมาให้กับผู้เผยพวจนะ ได้เปิดเผยแก่ชนอิสราเอลในช่วงเวลานั้นๆเพราะฉะนั้นในผู้เผยพระชนะใหญ่ในพระคัมภีร์เดิมมีทั้งหมดสามคนก็คืออิสยาเยเลมีและดาเนียนเราจะพบว่าในหนังสืออิสยาเยเลมีและดาเนียนเป็นพระธรรมที่ค่อนข้างยาวมากเลยทีเดียวจึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้เผยวจชนะทั้งสามคนนี้ได้ใช้ชีวิตของเขาในการบอกเล่าเรื่องราวและเรียกให้คนของพระเจ้านั้นกลับมา สู่หนทางของพระองค์นะคะคำถามก็คือว่าในยุคสมัยนี้ไม่มีผู้เผยพระจนะแล้วแต่เราเองไม่ได้เกิดในยุคสมัยนั้นเราไม่เข้าใจว่าพระเจ้าสื่อสารกับคนเหล่านี้ได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงว่านี่คือถ้อยคำที่พระเจ้าส่งมาให้นะคะนี่เป็นสิ่งที่เราเองน่าคิดแล้วก็อยากที่จะศึกษา ก็เลยได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสื่อสารกับประชากรอย่างนี้นะคะประการที่หนึ่งพระเจ้าจะทรงให้ภาพหรือนิมิตปรากฏขึ้นแก่ผู้เผยพระนะและเขาใช้ถ้อยคำของตัวเองบรรยายเช่นถ้าเราอ่านในเยเลมีเราจะเห็นว่าเยเมีได้พบได้เห็นนิมิตเรื่องของหม้อน้ำเดือดนะคะและเขาก็ได้อธิบายว่าพระเจ้ากาลังจะตรัสอะไรกับคนอิสราเอล หรืแม้กระทั่งเอเสเคียนที่ได้เห็นนิมิตอะไรต่างๆนะคะเห็นเป็นรูปมีหน้าสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ได้บรรยายนี่คือลักษณะของการที่พระเจ้าสื่อสารกับผู้เผยพระชนะประการต่อมาบางครั้งพระเจ้าใส่ความคิดและความรู้สึกของพระองค์ลงไปในใจแก่ผู้เผยพระชนะด้วยเช่นกันอย่างเช่นโฮเชีเยนะคะถ้าเราศึกษาโฮเชยาจะพบว่า พระเจ้าให้ภรรยาของเขานอกใจเขานะคะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นและนี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายอย่างโฮเชยาเจ็บปวดมากและพระเจ้าบอกนี่แหละคือสิ่งที่อิสราเอลทำกับพระองค์คือการนอกใจพระองค์และเป็นความเจ็บปวดที่พระเจ้ารู้สึกได้และอยากให้ผู้เผยพรชนะสื่อสารออกไปนะบอกไปนะว่าเจ็บปวดแค่ไหนนะคะ เรื่อประการต่อมาก็คือพระเจ้าสื่อสารกับผู้เผยพระนะอย่างไรนะคะก็คือพระองค์ตรัส ด, ด้วยถ้อยคําของพระองค์เองแล้วก็ให้ผู้เผยพระชนะเนะะี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงแล้วบอกเรื่องราวถ้อยคําของพระองค์ออกไปแก่ชนชาติอิสราเอลเมื่อเวลาเราอ่านในหนังสือที่เป็นผู้เผยพระชนะเราจะพบกับคําพูดที่ว่าพระเจ้าตรัส ด, ดังนี้ว่า นี่คือถ้อยคาที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ให้กับคนเหล่านั้นและให้เขาบอกกับคนอิสราเอลถามว่าหากว่าเราศึกษาในพระคัมภีร์เดิมเราจะพบว่าหลายต่อหลายคนที่ถูกเลือกมาเป็นผู้เผยพระจนะเขาไม่ได้รู้สึกยินดีเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้อยคาที่เขากำลังต้องไปบอกกับสังคมที่เขาอยู่นั้นเป็นถ้อยคาที่มันรุนแรง เป็นถ้อยคําแห่งความจริงที่เจ็บปวดเช่นคนอิสราเอลทําบาปคนอิสราเอลเล่นชู้คนอิสราเอลไม่กลับใจเป็นไงคะถ้ามีใครมาประกาศกับเราอ้าวเอ้พวกคนบาปทั้งหลายเรียกเราเหรอเรียกเรีย ก, เ ร, ยกเรียกฉันเหรอเราคงไม่ได้รู้สึกดีใจใช่ไหมคะอ๋อพูดกับฉันเหรอไม่ใช่ มันเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันและเป็นการเชื่อฟังและยอมจำนวนอย่างแท้จริงที่จะให้พระเจ้าใช้และนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอิสยาชีวิตผู้ชายคนนี้น่าสนใจนะคะแล้ววันนี้ดิฉันเองก็ได้มีโอกาสที่จะนําชีวิตของผู้ชายคนนี้มาให้ทุกท่านได้รู้จักมากขึ้นแต่ต้องบอกไว้ก่อนเขาจะไม่โดดเด่นไปกว่าองค์อิมมานุเอลที่วันนี้ดิฉันจะเทศนาะ เพราะเขาเป็นเพียงแค่ผู้เผยพระชนะที่เป็นเหมือนกระบอกเสียงของพระเจ้าเท่านั้นนะคะท่า น, นี้เมื่อพระเจ้าบอกกับอิสยาว่าแล้ววันหนึ่งพระเมสยาที่คนอิสราเอลรอคอยนั้นจะมานะคะในเรื่องของพระเมสยาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นการรอคอยที่ไม่ได้มาในแค่ช่วงยุคของอิสยา แต่มีมาก่อนนั้นแล้วนะคะพระเมสสิยาที่คนอิสราเอลมีอยู่ในห่วงคำหนึงหรือความคิดของเขาเนี่ยก่อนถึงยุคอิสยาห์มีลักษณะอย่างนี้นะคะประการที่หนึ่งพระเมสสิยาจะต้องเป็นพงพันธ์ที่มาจากอั บ, บราฮัมก็คือเป็นคนยิวต้องเป็นยิวเท่านั้นและต้องเป็นพงพันธ์ที่สืบเชื้อสายมาจากอั บ, บราฮัม และนี่คือพระสัญญาที่พระเจ้าให้แก่อับราฮัมและทําให้พระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราพบว่าในพระธรรมมัทธิวเมื่อเปิดมาบทที่หนึ่งเราจะได้เห็นลําดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่อับราฮัมและนี่ทําให้การเผยพระชนะหรือการที่การทํานายถึงการเสด็จมาของพระเยซูยานนั้นสําเร็จและเป็นความจริงประการที่สอง พระเมสสิยาที่คนยิวลอคอยนะคะจะต้องบังเกิดในเผายูดาเผายูดาอิสราเอลมีทั้งหมด12บเผาแต่พระเจ้าทรงเลือกยูดาขึ้นมาให้เป็นเผาแห่งแหล่งกำเนิดของพระเมสสิยาและนี่เป็นลักษณะพะนามของพระองค์ประการหนึ่งคือพระองค์เป็นสิงแห่งยูดา นะคะไม่ได้เป็นสิงห์แห่งเซบุรุนไม่ได้เป็นสิงห์แห่งนัฟทาลีไม่ได้เป็นสิงห์แห่งลูเบ น, ali, เนพระเมสสิยาต้องเป็นสิงห์แห่งยูดาและนี่เป็นเผ่าที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้สําหรับการบังเกิดของพระเมสสิยาประการต่อมาคือพระเมสสิยาจะต้องได้รับการทรงเจิมเป็นกษัตริย์แก่บรรดาประชาชาติพระองค์จะมาอย่างยิ่งใหญ่พระองค์จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ เราจึงไม่แปลกใจว่าคนยิวจึงมีความคิดว่าพระเมสสยาที่เขารอคอยนั้นจะต้องเป็น h ด g r e a ร k i ิ g เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จะต้องมาปลดปล่อยเขาจากความเป็นทาสหรือมีบทบาททางการเมืองที่ชัดเจนจะต้องเกิดในพระราชวังที่ใหญ่โตจะต้องเป็นเผ่าพันธุ์ของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และนี่ทำให้เราพบว่าหลายต่อหลายครั้งที่สาวขององอค์พระเยซูคริสมักจะ นำเรื่องนี้มาผูกติดกับเรื่องของการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เพราะเขาคิดว่าพระเมสสิยาห์ที่เขารอคอยนั้นต้องเป็นกษัตริย์ที่มาช่วยเขาปลดปล่อยเขาในมุมของการเมืองนะคะแต่จริงแล้วไม่เลยคำว่ากษัตริย์แห่งบรรดาประชาชาตินั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นกษัตริย์ในใจเรา นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่กษัตริย์ที่ปกครองชาติใดชาติหนึ่งแต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของบรรดาประชาชาติทั้งหลายและประการต่อมาค่ะพระเมศิยาจะต้องเป็นพระเจ้าเป็นพระองค์ผู้เป็นผู้กลางระหว่างพระบิดาและมนุษย์พระองค์จะต้องเป็นจุดรอยต่อ ของพระบิดาและมนุษยชาติที่จะทำให้มนุษย์ได้กลับมาสู่การคืนดีของพระ บ, บิดาอีกครั้งหนึ่งนี่คือพระเมสยาและประการสุดท้ายคือการทำนายของการเสด็จมาของพระเมสยาคือการบังเกิดของพระองค์นั้นจะเป็นการอัศจรรย์และมีความเป็นอัตลักษณ์หรือหนึ่งเดียวนะคะที่เรียกว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งสตรีและก็เป็นเช่นนั้น นี่เป็นเพียงห้าประการที่เป็นการบ่งบอกถึงการเสด็จมาของพระเมสยาที่ยิ่งใหญ่และเราก็ได้พบว่าทั้งสิ้นนั้นเป็นความจริงและได้สำเร็จในช่วงสมัยขององค์พระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความคิดของคนอิสราเอลที่มีต่อพระเมสยาและการเสด็จมาทำให้เขารอคอยและจับตารอดูว่า การมาของพระองค์นั้นจะเป็นเช่นไรและจะเกิดที่ไหนและจะเป็นอย่างไรต่อไปจนมาถึงในยุคของอิสยาพระธรรมอิสยาเป็นพระธรรมที่เปิดเผยเรื่องราวการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์มากเลยทีเดียวนะคะการทรงเรียกอิสยาเราคงจะค่อนข้างคุ้นเคยก็คือในอิสยาบทที่6ข้อที่หนึ่งถึง ถึงแก็คือเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราอิสยาตอบว่าไงคะข้าพงอยู่ที่นี่พระเจ้าค่าขอทรงใช้ข้าพงไปเถิดดิฉันก็ได้รับการทรงเรียกจากพระธรรมตอนนี้ด้วยเช่นกันพระงค์ก็ทรงถามว่าพงจะใช้ใครไปแทนพระองค์และพระงค์ก็รอให้ดิฉันตอบใช้เวลา น, านานหลายปีเลยค่ะกว่าที่จะตอบก่อนจะตอบดิฉันก็ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้พวกเขาไปเถิด เพราะยังไม่อยากไปเองนะคะจนวันหนึ่งที่เมื่อชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตฉันได้ดิฉันก็ตัดสินใจที่จะตอบพง ว, ว่าข้าพงษอยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพวง์ไปเถิดในช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงใช้อิสยาห์นั้นเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจที่ง่ายดายของชีวิตผู้ชายคนนี้เลยนะคะอิสยาห์นะคะคุณพ่อเขาชื่ออามอสนะคะพระเจ้าทรงเลือกอิสยาห์ไว้ก่อนที่เขาจะเกิด ได้ทำให้เขาเป็นลูกสอนขัดมันเคยได้ยินสมญาณนามนี้ของเขาไหมคะอยู่ในข้อที่49เออบทที่49ข้อที่2อิสยาห์นะคะมีช่วงชีวิตที่รับใช้พระเจ้าอยู่ในรัชะการของกรรษัตริย์อุซิยาโยธามอาหัสและเฮเซคียาค่อนข้างหลายแผ่นดินเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้พบว่าพระวจนะของพระเจ้าส่งมาถึงเขาเยอะนะคะแล้วก็หลายเรื่องราวมากเลยทีเดียว อิสยาได้ประกาศพระคําของพระเจ้าและเตือนยูดาว่าพระเจ้าจะทรงทําลายเขาเพราะเหตุความบาปของเขาในพระคัมภีร์ใหม่นะคะได้มีการอ้างถึงหนังสือ อ, อิสยาเนี่ยประมาณถึง20ครั้งหนังสืออิสยาถือว่าเป็นหนังสือที่ยาวกว่าหนังสือพยากรณ์อื่นๆและมีคําพยากรณ์ถึงพระเยซูมากกว่าเล่มอื่นๆหนังสืออิสยาได้พยากรณ์ถึงความทุกข์ทรมานของพระเยซูคริส และสง่าราศีที่จะมาภายหลังซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนึ่งเปรโตโบทที่ 1: นึข้อสิและหนังสืออิสยาก็ยังมีคําสอนเรื่องความรอดมากกว่าเล่มอื่นๆในพระคัมภีร์เดิมนะคะมีการใช้ภาษาในหนังสืออิสยาไพ่รอด ก, กว่าเล่มอื่นๆในพระคัมภีร์และบางส่วนของเพลงเมสเซยาก็มาจากเล่มนี้นะคะซึ่งอาจจะมีการถกเถียงกันว่า อิสยาไม่ได้เป็นผู้ที่บันทึกหนังสือพระธรรมอิสยาเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะก็เมื่อดูแล้วเราก็จะได้พบว่าอิสยาเป็นผู้ที่บันทึกหนังสือเล่มนี้อย่างแท้จริงเพราะเราได้เห็นบริบทที่บอกว่าอิสยาได้กล่าวว่าอิสยาได้กล่าวด้วยใจกล้าหาญว่าและยิ่งกว่านั้นนะคะองค์พระเยซูคริสต์เองก็ยังทรงรับรอง ว่าหนังสืออิสยาเป็นพระคำของพระเจ้าโดยที่พระองค์เองได้อ้างข้อความโดยความทนทุกข์ของพระองค์นะคะแล้วก็พระองค์ก็ได้อ้างอิงถึงหนังสือพระธรรมอิสยาเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ไม่ธรรมดานะคะแม้แต่องค์พระเยซูคริสต์เองก็ได้ทรงใช้เพื่อที่จะกล่าวถึงการพยากรณถึงการเสด็จมาของพระองค์ด้วย ในหนังสือพระธรรมอิสยาห์นะคะได้พาเราไปสู่พระวิหารในกรุงเยรูซาเลม็มซึ่งอยู่ในอาณาจักรยูดาห์ในยุคสมัย740ปีก่อนคริสตการนะคะพระเจ้าทรงเรียกอิสยาห์ด้วยนิมิต ท, ที่แปลกประหลาดอย่างที่มิกีบอกนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปพูดกับคนอิสราเอลในฐานะที่เป็นผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในยุคเวลานั้นนะคะต้องย้อนประวัติศาสตรน์นิดหนึ่ง อ า, าอาณาจักรอัสเซียีกํำลังคุกคามอาณาจักรยูดาห์นะคะเยรูซาเล็มและพระวิหารเนี่ยโดนปกคลุมเหมือนเมฆคลึ้มที่โดนฝนกำลังจะมาถาโถมใส่เป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมนะคะตั้งแต่บทที่สี่สิบเป็นต้นไปเราจะพบว่าผู้เผยพระชนะได้มองไปสู่อนาคตที่อยู่ไกลเหลือเกินเพราะว่าในเวลานั้น ในอิสราเอลตอนเหนือนะคะได้พ่ายแพ้แก่อสัสเตรเลียก่อนหน้านั้นไปนานแล้วและขณะนี้ยูดาซึ่งเป็นแผ่นดินที่อิสยาอาศัยอยู่นั้นกําลังจะถูกลุกรานโดยบาบิโลนซึ่งเป็นประเทศที่เป็นชาติที่โหดร้ายและทารุณมากนะคะซึ่งในที่สุดเมื่ออิสราเอลไม่ได้กลับใจพระเจ้าทรงใช้บาบิโลนมายึดและทําลายยูดาแตกเป็นเสี่ยงเสีง่งและนั่นเป็นจุดจบ ของชนอิสราเอลซึ่งแม้แต่อิสยาเองก็ไม่ได้สามารถจะช่วยอะไรได้อีกเลยนี่เป็นเรื่องราวของผู้เผยพระนะคนคนหนึ่งที่เขามีชีวิตแห่งการรับใช้อยู่ถึงสี่สิบเอ็ดปีนะคะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงใช้ผู้ชายคนนี้ในการบอกเล่าเรื่องราวถึงการเสด็จมาขององค์อิมมานุเอลและนี่ทําให้เราเองที่อยู่ณวันนี้ เราได้พบข้อความพบถ้อยคำที่เป็นความหวังในชีวิตให้กับเราเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเชื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาพระองค์เป็นอิมมานุเอลในชีวิตเราพระเยซูคริสต์ทรงมาในโลกนี้โดยที่พระองค์มีพระประสงค์ที่ชัดเจนและที่สำคัญนะคะการบังเกิดของพระองค์ก็ไม่ได้ธรรมดาและนี่เป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าพระองค์ทรงถ่อมพระทัยถึงที่สุด เพื่อให้เราทั้งหลายที่เป็นคนบาปนั้นได้รับความรอดเราขอบคุณพระเจ้าเราลองมาดูด้วยกันค่ะว่าเมื่ออิมมานุเอลพระองค์ทรงสเสด็จมาเพื่อเราแล้วพระองค์ทรงเป็นอะไรเพื่อเราบ้างนะคะประการที่หนึ่งนะคะพระองค์ทรงเป็นความสว่างเพื่อเราถ้าว่าเราอยู่ในความมืดแล้วเราเปิดไฟนะคะเป็นยังไงคะห้องก็จะสว่าง จะมีจะมีความมืดเหลือสักเล็กน้อยไหมคะไม่มีนะเมื่อความสว่างเข้ามาที่ใดก็แล้วแต่ความมืดก็จะหายไปนะคะในอิสยาบทที่9ข้อที่สองบอกกับเราว่าชนชาติที่ดำเนินในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจุลาสว่างจะได้ส่องมาบนเขาสว่างที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความสว่างที่พอจะทําให้แค่เห็นได้แต่เป็นความสว่างที่ยิ่งใหญ่ความสว่างที่เจิดจ้าความสว่างที่ชัดเจนและแจ่มชัดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในความมืดไม่ว่าจะอยู่ในเงาแห่งมัจจุราชใ ด, ดๆก็แล้วแต่เมื่อองค์อิมานูเอลเสด็จมาความสว่างนั้นจะทําให้ความมืดนั้นหายไปเอเมนในพระธรรมยอห์นนะคะ พระองค์ได้ในพระธรรมย้อนได้อธิบายให้เราเข้าใจว่าพระวาทะทรงเป็นแหล่งของชีวิตย้อนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงหได้บอกกับเราว่าในปฐมกาลพระวาทสงดำรงอยู่และพระวาัทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาัทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่เอเมนขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเป็นความสว่างในชีวิตของเราพระองค์เสด็จมาเพื่อเป็นความสว่างในชีวิตความมืดใดๆไม่มีสิทธิที่จะเอาชนะชีวิตเราได้อีกแล้วพระเยซูคริสทรงเป็นความสว่างที่ส่องเข้ามาในโลกนี้โลกที่เต็มไปด้วยความมืดมนความมืดมักจะมา คู่กับความกลัวจริงไหมคะลูกชายขอฉันตอนนี้อายุจะเจ็ดขวบแล้วสิ่งที่เขากลัวมากเลยก็คือกลัวเรื่องของความมืดเชื่อไหมคะอยู่กันห่างแค่ประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยแต่ถ้าหาว่ามืดเมื่อไหร่เนี่ยจะบอกแม่ไปด้วยกันหน่อยเราก็อยู่แค่นี้เองทําไมต้องไปเขาบอกเขากลัวเขากลัวความมืดและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าความมืดมักจะมาคู่กับความกลัว มนุษย์ในอดีตเต็ไมไปด้วยความกลัวนะคะสิ่งต่างๆที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจทำให้เขากลัวเขากลัวจนถึงขั้นต้องสร้างรูปเคารพขึ้นมาเพื่อจะกราบไหว้และพึ่งพิงแม้ในปัจจุบันนะคะเราก็ยังได้พบว่ามีคนที่เชื่อในความรู้อย่างเช่นพวกศยศาสตร์มากมายซึ่งคนเหล่านี้แหละที่ถูกความมืดและถูกสิ่งที่ไม่เข้าใจครอบงา ความมืดเหล่านี้อย่างที่บอกค่ะมันมาคู่กับความกลัวเพราะฉะนั้นดิฉันเองเคยเป็นคนนั้นเหมือนกันในช่วงที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะครอบคุมเอ่อควบคุมเราและอยู่กับเราแล้วจะต้องทำให้เรากลัวและให้เรา เ, เกรงกลัวสิ่งนั้นๆห้ามลบหลู่ห้ามดูหมิน่นห้ามเหยียดหยามแต่ถามว่ามันคืออะไร ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ลบหลู่ไหมไม่ไม่กล้าเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราถ้าวันนี้ในโลกนี้หรือแม้กระทั่งเวลาเราดูข่าวหรือเราเจอเพื่อนหรือเราพบใครที่เขายังถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำอย่าเพิ่งไปดูถูกเขานะคะอย่าไปเห็นว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นเป็นความโง่เขาเป็นความงมงายให้เรามองเขาว่าเขากาลังอยู่ในความกลัวและเราเนี่ยแหละ ที่จะไปช่วยบอกเล่าถึงความสว่างให้กับเขาและเมื่อเขาได้พบความสว่างความมืดในชีวิตเขาจะหายไปแล้วเขาจะไม่กลัวขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีสายตาเช่นนั้นมีหัวใจเช่นนั้นนะคะและนอกจากนี้นะคะนอกจากความมืดที่หมายถึงความกลัวแล้วความมืดก็ยังหมายถึงความชั่วร้ายด้วยเหมือนกันนะคะความมืดอาจจะเป็นเหมือนสั ญ, ญลักษณ์ที่เปรียบเทียบกับความชั่วร้ายต่างๆ แต่เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสเสด็จมาแล้วนั้นความมืดหาได้ชนะความสว่างไหมนี่เป็นพระสัญญาของพระองค์พระเยซูคริสต์นะคะทรงสเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อนาความสว่างส่องไปยังคนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดพระ อ, องค์นาความจริงมาสู่โลกนี้สัจจะทำให้เราเป็นไทยนะคะ มนุษย์จะพบกับความเที่ยงแท้ไม่ต้องตกอยู่ในความกลัวและค ว, ความสว่างก็ชนะความมืดทรงมีชัยชนะเหนือความผิดบาปทรงมีชัยชนะเหนือการทดลองนี่คือพระคุณความรักของพระเจ้าที่ทรงให้แสงสว่างเข้ามาในโลกนี้นะคะผู้ที่ต้อนรับพระเจ้าก็ได้รับแสงสว่างคนบาปก็ได้รับความชอบธรรมคนไร้ค่าก็เป็นคนที่มีค่า จากคนที่ไม่มีใครยอมรับก็ได้รับการยอมรับเมื่อแสงสว่างได้ส่องเข้ามาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เหมือนอย่างเราทั้งหลายที่ได้นั่งอยู่ทุกวันนี้ดิฉันได้ยินคําพยานมากมายที่บอกว่าชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกิดจากความพยายามของตนเองหรือเกิดจากแรงบันดาลใจใดๆเลย นอกจากผู้เดียวคือองค์พระเยซูคริสต์ที่เข้ามาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงในชีวิตเรานะคะในหนังสือในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายค่ะถ้าเราไปเดินตามร้านหนังสือเราจะพบหนังสือที่จะสอนเราในการดำเนินชีวิตเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แต่ถามว่าหนังสือสักกี่เล่มเชียวที่จะมีอิทธิพลในชีวิตของเราบางทีเราอ่านไปเราก็มีคาถามว่ า, าก็ใช่เขาทาได้เราอาจจะทาไม่ได้ก็ได้ หรือเออเขาทำได้จริงเหรอแล้วถ้าเราทำตามมันจะดีเหมือนเขาหรือเปล่านะคะมันอาจจะมีความรู้มากมายในโลกนี้ที่พยายามที่อยากจะเปลี่ยนเราให้เป็นอย่างที่เขาบอกแต่ท้ายที่สุดแล้วดิฉันก็ยังมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้แหละคือคู่มือมนุษย์ที่แท้จริงเพราะผู้ที่เขียนและบันทึกหนังสือเล่มนี้เป็นผู้ที่สร้างเราไม่มีหนังสือเล่มไหน ที่จะบอกเราว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะหนังสือเหล่านั้นไม่ได้สร้างเราขึ้นมาผู้ที่เขียนเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาแต่พระวจนะคำของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและเป็นถ้อยคำจากผู้สร้างเราไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เชื่อไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะล้มเหลวถ้าเราจะเชื่อฟังและทำตามนะคะประการที่สอ ง, เ ม, องเมื่อองค์อิมมานุเอลเสด็จมาเพื่อเรา ะะพระองค์ทรงนําความชื่นชมยินดีมาสู่เรานะะพระเยซูคริสต์ทรงนําความชื่นชมยินดีมาสู่มนุษยชาติทุกคนในพระธรรมอิตยาบทที่ 9: ข้อสบอกว่าพระองค์จะได้ทรงทวีชนในประชาชาตินั้นขึ้นพระองค์จะทรงเพิ่มความชื่นบานของเขาเขาทั้งหลายจะเ ป, ปรย์ปีต่อพระพักพระองค์ดั่งด้วยความชื่นบานเมื่อฤดูเกี่ยวเก็บดั่งคนเ ป, ปรย์ปีเมื่อเขาแบ่งของริบมานั้นแก่กัน มนุษย์นะคะที่อยู่ในความมืดความกลัวพอได้รับแสงสว่างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องเป็นความชื่นชมยินดีนะคะในพระธรรมอิสยาห์ได้ใช้คาว่าชื่นชมยินดีเนี่ยไม่น้อยกว่า24ครั้งเลยและในตอนนี้ก็ได้เน้นย้ำว่าบรรดาผู้ที่ได้รับแสงสว่างนี้แล้วจะได้รับความชื่นชมยินดีเป็นทวีคูณเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นะคะชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและจะอยากแบ่งปันความสุข ความชื่นชมยินดีนี้ให้แก่ผู้อื่นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากจนกระทั่งหลายคนได้ถวายชีวิตของตัวเองเพื่อ น, นำความสุขนี้แบ่งปันให้กับคนมากมายเราพบความจริงประการหนึ่งในสังคมนะคะโรคโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นและก็มีแนวโน้มที่มากขึ้นเรื่อยๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับจิตใจซึมเศร้าเนาะทุกท่านก็ทราบ โรคนี้เกิดจากอะไรคะหลายคนบอกว่าเกิดจากฮอร์โมนเกิดจากความผิดปกติในร่างกายแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่มันส่งผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นโรคนั้นๆบางคนเป็นโรคซึมเศร้าชนิดที่น่าสงสารมากเมื่อประมาณสองสาเดือนก่อนนะคะดิฉันได้ข่าวเป็น น้องของเพื่อนบ้างเป็นเพื่อนของเพื่อนบ้างเป็นญาติของเขาบ้างนะคะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ท้ายที่สุดเขาเลือกที่จะจบชีวิตด้วยการกระโดดตึกฆ่าตัวตายเดือนนั้นประมาณสองสามรายเลยก็ว่าได้คือตกใจเลยนะคะตกใจมากบางข่าวก็เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เลยด้วยซ้าและเมื่ อ, อ, อได้ไถ่าถามกันหรืออะไรก็ได้พบว่าก็เป็นโรคซึมเศร้า มันกําลังบอกกับเราอย่างหนึ่งค่ะว่าในสังคมปัจจุบันนี้คําว่าชื่นชมยินดีหายไปจากชีวิตของมนุษย์เยอะมากเลยนะคะโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่น่ากลัวเป็นโรคที่แม้กระทั่งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นนะคะแม้ทั่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวดิฉันกําลังจะคลอดแล้วเขาบอกว่าในภาวะของหญิงที่หลังคลอดบุตรเนี่ยค่ะจะมีภาวะซึมเศร้าด้วยที่เขาเรียกว่ามาม่าบลู ก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าจะไม่เศร้าจะไม่เศร้าแล้วก็จะไม่เหวี่ยงใครด้วยสัญญานะคะพยายามที่ให้พระเจ้าควบคุมชีวิตเราเพราะผลของพระวิญญาณอย่างนึงก็คือการบังคับตนเราจะไม่เป็นคริสเตียนเราจะไม่มีวันที่จะเป็นโรคซึมเศร้าอาเมนไหมคะเพราะอะไรเพราะพระเยซูคริสต์เป็นความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราสเสมอแต่ถ้าหากเป็นแล้วนั่นไม่ได้เป็นความผิดบาปอะไรนะคะแต่ขอพระเจ้าช่วย ให้เราลองคิดว่าชีวิตของเรามีค่ามากเราไม่ได้เป็นคนที่ไร้ค่ามีค่าขนาดไหนมีค่าขนาดที่พระบิดาได้ทรงประทานพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไทยเราจริงอยู่ความรอดเป็นของฟรีแต่ไม่ใช่เป็นของถูกเพราะต้องแลกกับชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เลยทีเดียวนะคะความชื่นชมยินดีตัวนี้ล่ะค่ะขอให้มันย่างรากลึกลงไปในหัวใจ ของเราทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยังคงชื่นชมยินดีเสมอดิฉันเชื่อว่านอกจากเราจะท่องข้อบัญพีในยอห์นบทที่3ามข้อสิได้เรายัางท่องฟิลิปปีบทที่4ข้อสได้ไหมคะจงชื่นชมยินดีอยู่ทุกในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดทุกเวลานะอาจารย์ปรโลกเขียนว่าจงชื่นชมยินดีทุกเวลาไม่ใช่บรือจงชื่นชมยินดีบางเวลานะ ไม่ใช่ทุกเวลาความชื่นชมยินดีแบบนี้ละค่ะขอให้เป็นความชื่นชมยินดีที่มั่นคงและถาวรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราจะยังคงชื่นชมยินดีได้ก่อนที่ดิฉันจะเชื่อพระเจ้าเหมือนกันนี่ฉันไม่เคยเข้าใจพวกคริสเตียนเลยอะไรก็ร้องเพลงเป็นอะไรก็ร้องเพลงไปงานศพก็ร้องเพลงงานแต่งยิ่งร้องใหญ่เลยอะไรก็ร้องอยู่ได้ ทำไมจะมีความสุขอะไรนักหนานะคะไม่เคยเข้าใจแล้วในชีวิตของเราที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าบทเพลงก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นความปกติในชีวิตเราก็จะร้องก็ต่อเมื่อเรามีความสุขแต่ทําไมพวกคริสเตียนร้องเพลงจังเลยร้องได้ทุกโอกาสร้องได้ทุกเวลาเจอหน้าก็จะชวนไปร้องเพลงอ๋อพอเชื่อพระเจ้าเพิ่งเข้าใจนี่คือความชื่นชมยินดีอย่างหนึ่งในชีวิต ใช่ไหมคะต่อให้จะผิดหวังจะเสียใจเราก็ยังร้องเพลงและชื่นชมยินดีได้เพราะเรารู้พระเจ้าให้คนคนหนึ่งออกไปจากชีวิตเรานั่นแหละเป็นผลดีเป็นผลดีผลดีกับเขาแล้วก็เป็นผลดีกับเราด้วยทุกอย่างมีคําตอบเสมอและนั่นเป็นเหตุที่ทําให้ชีวิตของคริสเตียนจึงชื่นชมยินดีอยู่เสมอไม่มีคําว่าบาังเอิญในพจนานุ ก, กรมชีวิตของคริสเตียนนะคะไม่มีคําว่าบังเอิญฟลุก๊ก หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เกิดด้วยความจงใจพระเจ้าทรงมีเหตุผลเสมอและเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นในชีวิตแล้วมีเหตุผลรองรับโดยที่เป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้เหตุผลเพราะพระองค์ทรงรู้เราตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดปลายไม่มีเหตุอะไรที่เราจะไม่ชื่นชมยินดีนะคะเหมือนในพระธรรมมัทธิวที่พระองค์ก็บอกกับเราใช่ไหมคะถ้าหากว่าลูกจะขอขนมปังจากพ่อ มีหรือพ่อจะให้ก้อนหินถ้าจะขอปลามีหรือจะให้งูคิดดูคะพระบิดาหรือพ่อของเรารักเราขนาดนี้เราต้องชื่นชมยินดีนะคะและเช่นกันนะคะเมื่อเราชื่นชมยินดีมีคนมากมายในโลกนี้เมื่อได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์แล้วพบกับความชื่นชมยินดีนั้นเขาอยากที่จะแบ่งปันความชื่นชมยินดีนี้ไปให้แก่คนอื่นนะคะอีฉันได้พบ ผู้ชายได้พบตัวอย่างชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นนักวิ่งค่ะชื่อว่าอีริกริ d เดลเขาเป็นนักวิ่งเหรียญทองร0อเมตรเมื่อปี1924และในอีกสปีต่อมาก็ได้ถูกเลือกให้เป็นนักวิ่งร้อยเมตรอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันที่เขาต้องลงแข่งนั้นตรงกับวันอาทิตย์ เขาจึงขอไม่ลงแข่งขันเพราะเขาอยากจะเม้าวันอาทิตย์หรือวันสบาโตเนี่ยให้กับพระเจ้าให้กับการนมัส ก, การพระเจ้ายังไงก็ไม่ยอมจนสุดท้ายนะคะทางทีมก็ต้องยอมให้เขาไม่ได้ลงแข่งเพราะเขาอยากจะรักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์และเมื่อเขาไม่ได้ลงแข่งร้อยเมตรซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถนัดมากนะคะผู้จัดการทีมจึงขอให้อีริกเนี่ยลงแข่ง ในระยะ400เมตรในวันถัดไปแทนได้ไหมซึ่งเขาก็ยอมถึงแม้ว่าจะเป็นระยะวิ่งที่เขาไม่ถนัดก็ตามเขาก็ได้วิงวอนตอพระเจ้าค่ะและในที่สุดดิฉันคิดว่าทุกคนน่าจะเดาได้ก็คือเขาสามารถได้เหรียญทองจากการวิ่ง400เมตรซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ฝึกฝนเป็นเหรียญทองที่เขาไม่คาดฝันและที่สาคัญคือเป็นการทาลายสถิติโลกด้วย เขาเป็นนักวิ่งเหรียญทองโอลิมปิกปารีสนะคะในปี1924ในภาพนี้นะคะเขาเขียนว่าไม่ได้วิ่งเพื่อมงกุฎไม่ได้วิ่งเพื่อประเทศชาติไม่ได้วิ่งเพื่อชื่อเสียงไม่ได้วิ่งเพื่อเกียรติยศแต่เขาวิ่งเพื่อพระเจ้าและเขาบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างผมให้มีความรวดเร็วและเมื่อผมวิ่งผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่พระองค์พอพระทยัย ชีวิตของผู้ชายคนนี้อัศจรรย์และนี่คือสิ่งที่เขาเองมอบให้กับพระเจ้าและไม่เพียงแค่นั้นค่ะถ้าชีวิตผู้ชายคนนี้จบเท่านี้เราคงจะได้รู้จักเขาในฐานะของนักกีฬาโอลิมปิกปี1924ตอนนี้2016โอ้โหหลายปีมากเลยก็คงเป็นแค่นั้นแต่เขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอย่างที่มิกี้บอกไปคือเมื่อชีวิตของเขาได้มอบถวายแก่องพระเยซูคริสเขาอยากนาความชื่นชมยนินดี ชื่นชมยินดีเนี้ยไปให้แก่คนอื่นๆต่อไปความชื่นชมที่อิริกได้รับนั้นมากยิ่งกว่าที่เขาได้รับเหรียญทองค่ะแล้วก็มากยิ่งกว่าการที่เขาได้รับการต้อนรับจากคนมากมายหลังจากการจบการแข่งขันเพราะในที่สุดผู้ชายคนนี้ได้ถวายตัวเป็นมิชชันนารีไปที่ประเทศจีนเขาทำงานหนักต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายและเคยตกเป็นเชลยศึก แม้อยู่ในความยากลําบากนะคะแต่เขากลับชื่นชมยินดีและมีความสุขที่ได้รับใช้เขาเป็นพยานแกบ่บรรดาเฉลยศึกอย่างมากมายเขานําสันติสุขมอบให้กับบรรดาเฉลยศึกเหล่านั้นแล้วก็ได้นําความหวังให้แกบ่บรรดาเฉลยศึกกว่า200ชีวิตที่ได้สนใจและกลับใจมาเป็นคริสเตียนวลีหนึ่งที่เขาได้กล่าวไว้นะคะเขาบอกว่าเราทั้งหลายเป็นมิชชันนารีก็คือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าเราจะไปที่ใด ให้เรานำชนชาติของพระองค์เข้ามาให้ใกล้พระองค์หรือว่าเรากำลังขับไล่พวกเขาให้ไกลจากพระคริสต์นี่คือปณิธานในการรับใช้ของเขาว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะนำคนมาใกล้พระเจ้าให้มากที่สุดนะคะขอให้เป็นเช่นนั้นในชีวิตเราด้วยเช่นกันอย่าให้เราเป็นคนที่ขับไล่ใครออกให้ห่างจากพระคริสต์ความชื่นชมยินดีที่เราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยมันต้องเป็นความชื่นชมยินดีที่ แผ่กระจายออกไปนะคะเหมือนอย่างในโฆษณาเวลาเราเห็นน้ํายาปรับผ้านุ่มเห็นไหมคะเวลาบอกโอ้ชุดเราหอมมีไหมคะโฆษณาที่บอกหอมอยู่คนเดียวนั่งดมอยู่ในห้องนอนมีความสุขหอมหอมอยู่คนเดียวไม่นะในภาพโฆษณาคื อ, อยังไงคะเดินไปตามถนนห น, นทางก็จะมีรูปดอกไม้กระจายออกไปเต็มไปหมดให้คนอื่นได้ไดกลิ่นหอมของเราเราจะเป็นกลิ่นหอมของพระคิดเราจะนําความชื่นชมยินดีไปสู่ผู้อื่นมากขึ้นและมากขึ้นเอเมนนะคะ โดยเฉพาะคริสต์มาสนี้นะคะขอให้เราเป็นเช่นนั้นและในประการสุดท้ายค่ะเมื่ออิมมานูเอลทรงสถิตและมาเพื่อเราพระองค์ทรงประทานอะไรให้กับเราอีกประการหนึ่งคือพระองค์ทรงประทานสันติภาพแก่เรา ในพระธรรมอิสยาหบทที่9ข้อ6บอกกับเราว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามาสัสจั์พระเจ้าผู้ทรงมหิทริิศพระบิดานิรันองค์สันติราชพระเจ้าได้ทรงประทานสันติสุขที่แท้จริงแก่ชีวิตของเราแล้วและสิ่งนี้เองที่นำมาซึ่งสันติภาพนะคะโลกนี้นะคะเป็นโลกอที่ เราอาจจะรู้สึกว่าเป็นโลกซึ่งไร้ความหวังนะคะสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายอยากได้คือชีวิตสิ่งที่ดีงามที่ได้มาจากพระเจ้าเราเองนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ต้อนรับพระเยซูคริสก็เป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่ได้รับสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระเยซูคริสไม่ได้ทรงเสด็จมาในโลกนี้เพื่อพระองค์เองแต่พระองค์เสด็จมาเพื่อเพื่อเราเพื่อที่จะประทานสันติสุขให้กับเราให้เราได้รับชีวิตใหม่ ให้เราได้รับความรอดมัอนอย่างที่พระองค์ได้จัดว่าเรามาเพื่อปนิบัติไม่ได้มาเพื่อรับการปนิบัตินะคะและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับสันติสุขและสันติสุคนี้แหละที่จะสร้างสันติภาพนะคะในโลกนี้นะคะเราต้องเผชิญกับความแตกต่างและก็ความแตกแยกความแตกต่างนะคะยังมีสิ่งดีอีกมากมายที่จะเรียนรู้ได้ แต่ความแตกแยกจะมีแต่ความเสียหายที่มีแต่การทำลายทุกวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านทราบดีประเทศไทยก็มีความแตกแยกมากมายคนไทยอยู่ในภาวะแห่งความกังวลใจความไม่มั่นใจความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตเพราะเขาได้เห็นว่ามีความแตกแยกเกิดขึ้นมากมายและความแตกแยกนี้ มักจะเกิดจากความขัดแย้งภายในจิตใจซึ่งทำให้ไม่มีสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดความแตกแยกออกมานะคะหลายคนรู้ว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดไม่ดีรู้ว่าสิ่งไม่ดีไม่ควรทำแต่ก็กลับทำอารมณ์ความรู้สึกอยากจะทำนี่เป็นสิ่งที่เป็นคู่ต่อสู้อยู่ในชีวิตของเราเสมอนะคะซึ่งมีบทความหนึ่งค่ะจากหนังสือที่ชื่อว่าที่เหลือของชีวิตได้เขียนไว้อย่างนี้ค่ะ จงหยุดแสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นเพราะสิ่งเหล่านั้นก็คือความอยากความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์เราไม่เคยเพียงพอในสิ่งใดยิ่งได้ก็ยิ่งอยากยิ่งอยากก็ยิ่งต้องแสวงหาสิ่งที่ต้องการเพราะในใจยังโหยหาเติมอย่างไรก็ไม่เต็มเนี่ยนะคะคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าชีวิตของเราไม่เคยที่จะรู้จักพอ แต่พระเจ้าทรงรู้จักเราดีนะคะปัญหาเรื่องของสันติภาพต้องแก้ที่จิตใจของเราก่อนเมื่อเราได้รับสันติสุขแล้วเราจะรู้จักพอเพียงและก็จะรู้จักเพียงพอด้วยนะคะพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อ น, นำสันติสุขที่แท้จริงมาให้กับมนุษย์เราทั้งหลายเวลาคนอิสราเอลพบกันเขาจะมีคำทักทายที่พูดคาว่าชโลม นะคะชลมชลมไม่ได้หมายความเพียงแค่ความสุขที่แท้จริงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความอิสระการพ้นจากปัญหาและได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้รับแล้วมีศาสนาจารย์ท่านหนึ่งค่ะท่านได้ศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยและพบว่าในคําว่าสันติสุขกับคําว่าคืนดีกับพระเจ้าในพระคัมภีร์มีทั้งหมด365คําพอดี นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราทุกคนมีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันตลอดทั้งปีและเป็นสันติเป็นสันติสุขที่แท้จริงด้วยเราขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เราได้รู้แล้วว่าเมื่อองค์อิมมานุเอลเสด็จมาในโลกนี้เราได้รับความสว่างเราได้รับความชื่นชมยินดีและเราได้รับสันติภาพหรือสันติสุขในชีวิตของเรา ไม่ว่าชีวิตของเราจ ะ, ะเผชิญกับเรื่องราวใดนะคะเหตุการณ์อะไรความอ่อนแรงความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดความสูญเสียความท้อใจกา ร, รเผชิญกับความอายุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ดิฉันขอให้ช่วงเวลานี้ที่เป็นช่วงเวลาแห่งการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับการเล้าลมใจได้รับการหนุนน้ําใจได้รับกําลังที่มาจากพระเจ้าโดยให้เราตระหนักรู้ว่า พระเจ้าได้ทรงประทานอิมมานุเอลเพื่อเราขอพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราไม่ได้เพียงแค่เฉพาะเทศกาลนี้แต่พระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปนะคะจนกว่าจะสิ้นยุคอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงบอกไว้และอย่าลืมที่จะคอยย้าเตือนกับชีวิตเราเสมอว่าเราไม่ได้อยู่ลําพังอิมมานุเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราหันไปบอกคนซ้ายมือขวามือสิคะว่าอิมมานุเอล อิมานุเอลนะคะขอทรงเป็นอิมานุเอลในชีวิตของเราเราที่ฐานด้วยกันนะคะสาธุการพระเจ้าพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์เป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราอีกครั้งหนึง่งที่พระวจนะคำของพระเจ้าได้ทรงย้ําเตือนกับชีวิตเราว่าชีวิตเราไม่จําเป็นต้องโศกเศร้าชีวิตเราไม่จําเป็นต้องกังวลเราไม่ต้องท้อใจ หรือไม่ต้องมีความรู้สึกใดๆที่แ ย, แย่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกรอบตัวเราจะบีบบังคับหรือกดดันเรามากแค่ไหนแต่เราจะยังคงยืนหยัดอยู่ได้เพราะองค์อิมมานุเอลสถิตกับเราขอพระเจ้าทรงเมตตาประทานความสว่างความชื่นชมยินดีและสันติสุขอยู่ในใจของเราเสมอทุกวันทุกเวลาจะไม่มีความมืดความชั่วร้ายใดๆจะมีชัยชนะเหนือ ความสว่างนั้นได้พระองค์เจ้าขอให้เทศการแห่งการเฉลิมฉลองนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้เราเองมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีกับพระองค์เสมอและเหนือสิ่งอื่นใดขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะมีความกล้าหาญในการที่จะออกไปบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้กับคนมากมายที่สิ้นหวังให้เขาได้มีความหวังขอทรงใช้เราทั้งหลายพระงเจ้าค่าให้เราได้พบกับคนคนนั้น ที่คริสต์มาสนี้จะเป็นเวลาแห่งชีวิตใหม่ของเขาให้เราได้มีโอกาสรประกาศกับเขาและนําดวงวิญญาณเขาเหล่านั้นมามอบถวายเป็นของขวัญอันล้ําค่าให้แด่พระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราเองจะยืนหยัดสัตย์ซื่อยำเกรงพระองค์เสมอในชีวิตของเราขอพระคุณพระเจ้าและขอมอบถวายพระเกียรติยศทั้งสิ้นแด่พระองค์ อธิษฐานร่วมกันในพระ น, นามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าออเมนพระเจ้าอวยพรนะคะ